ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุชาวเมืองอาราวีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอสร้างกุฎีด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองไม่มีเจ้าของสร้างให้สร้างเป็นของส่วนตัวไม่จำกัดขนาดกุดีสร้างไม่เสร็จพวกเธอเป็นผู้มากไปด้วยการขอ มากไปด้วยการออกปากขอเด้อกกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้คนงานอุปกรณ์ก่อสร้างสําเร็จรูปโคเวียนมีดขวานพึ่งจอบสิวเถาวันไม้ไผ่หญ้าม้งกระต่ายหญ้าแฝกหญ้าสามันดินเหนียวพวกชาวบ้านถูกรครุบกวนด้วยการขอด้วยการออกปากขอพบเห็นเธอทั้งหลายต่างหวาด สะดุ้งบ้างหลบนี้ไปที่อื่นบ้างเดินเลี่ยงไปทางอื่นบ้างเมินหน้าหนีบ้างปิดประตูบ้านบ้างพบเห็นแม่โคเข้าก็วิ่งหนีเพราะเข้าใจว่าเป็นภิกษสูบ้างจริงหรือภิษสูเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอไม่สมควรไม่ควรทํา โมฆะบุรุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงสร้างกุดีด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ขอมาเองไม่มีเจ้าของสร้างให้สร้างเป็นของส่วนตัวไม่จำกัดขนาดกุดีสร้างไม่เสร็จพวกเธอเป็นผู้มากไปด้วยการขอมากไปด้วยการออกปากขอด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงให้คนงานอุปกรณ์ก่อสร้างสาเร็จรูปโคเกียนมีดขวานพึงจอก สิวเผาวันไม้ไผ่หญ้ามงกระต่ายหญ้าแฝกหญ้าสามันดินเหนียวดังนี้โมฆะบุรตษทั้งหลายการกระทาอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงตาหนิพวกพิจสูชาวเมืองอาราบีโดยประการต่างๆแล้วทรงแสดงธํามีกะถาแก่ภิกษูทั้งหลายให้เหมาะสม ให้คล้อยตามกับเรื่องนี้แล้วจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่า